วันนี้ก็เป็นวันโกนอีกแค่ครึ่งเดือนก็จะออกวรนษาแล้ววันนี้อาจารมาจะนำเรื่องราวของสังพินายกองค์ที่หกของลิกายเซนมาเล่าให้ฟังคือท่านเวรังแต่เล่าแบบย่อๆนะเพราะว่าเรื่องท่านยาวมากจะเล่าไปรเด็นสำคัญสำคัญท่านเวรังเกิดที่เมืองซินโจนครขวา ง, ง, งตุง้งคือเป็นเด็กที่มีบุญมากขนาดที่มาเกิดเนี่ย แม่ของท่านเนี่ยจะไปกลิ่นหอมตลอดรุ่งเช้าเนี่ยก็จะมีพระมาตั้ ง, งชื่อให้ชื่อของท่านก็คือหุยเหน่งซึ่งถ้าภาษาจีนกลางจะเรียกท่านท่านเว้ยหลังแต่แต้จิวก็เรียกเ ห, หนิงเกิดในครอบครัวที่ยากจนเพราะพ่ออดีตเคยรับราชการตอนหลังโดนถอดออกพอยุดได้สามขวบพ่อก็ตายทิ้งไว้ ให้เวหลางกับแม่อยู่ด้วยความยากลาบากแต่เวหลางเป็นเด็กที่มี จ, จมิตใจเมตตาชอบช่วยเหลือสอัตว์มีนิสัยตั้งแต่เด็กแล้วพอโตขึ้นมาเวาหลางก็ช่วยแม่ทําทํางานก็คือผ่าฟืนแล้วก็แบกฟืนไปขายในเมืองอยู่มาวันหนึ่งขนาดที่เอาฟืนไปส่งให้กับร้านอาหารแห่งหนึ่งขณะเดินกลับ ก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ของชายผู้หนึ่งบทที่สวดก็คือบทวัชลาสูตรขณะที่ฟังเสียงสวดมนต์อย่างนั้นจิตของท่านก็ลุกโพงตื่นขึ้นมาทวิหลังท่านเป็นคนที่ไม่รู้หนังสือเพราะฐานะยากจนไม่ได้เรียนจะเขียนหนังสือไม่ได้อ่านสือไม่ออกท่านก็เข้าไปถามชายผู้นั้นก็บอกว่าท่านเป็นลูกศิษย์ของ อาจารย์หงยิ้มใต้ซือที่สำนักวัดตรงซานตมุลวองมุยคือท่านเป็นสังฆปริยศกองค์ที่ห้าท่านเป็นหลังเกล้าศรามากก็เลยมีความคิดว่าอยากจะไปเที่ยนธรรมะกับอาจารย์หงยิ้มใต้ซือควประสงค์นี้ก็ทำให้มีผู้ใจบุญมาบริจาคเงินให้ท่านสิบตาลึงสิบตำลึำลึงในสมัยนั้นก็เยอะให้ท่านเนี่ยเอาไปให้มารดา ของท่านไว้ใช้จ่ายแล้วท่านก็ลามานดาของท่านเดินทางขึ้นเหนือไปไปที่วัดตรงซานซึ่งใช้เวลาการเดินทางั้หมดประมาณสามสิบวันคือศรัทธาท่านแรงมากพอไปถึงวัดตรงซานก็เข้าไปหาพระสังพปรินายกองที่ห้าอาจารย์หงยิ้มใจซื่ออาจารย์หงยิ้มใจซื่อก็ถามว่าเป็นใครมาจากไหน าเป็นหลังตอบว่าผมเป็นชาวซินโจจากนครฟางตุ้งครับเธอเป็นคนป่าคนดงมีความประสงค์มาที่นี่เพื่อทำอะไรกับผมที่มาที่นี่เพื่อจะมาเรียนธรรมะสแสวงหาความเป็นพุท ธ, ธะครับหมยิ่งศีก็บอกว่าคนป่าคนดงจะเรียนพุท ธ, ธะได้หรอท่านเป็นหลังก็ตอบว่า คนป่าคนดงจะแตกต่างกับท่านอาจารย์ก็ตรงเพียงสีริร่างกายเท่านั้นแต่ความเป็นพุท ธ, ธนี่ทุกคนมีเหมือนกันหมดหาได้แตกต่างกันระหว่างชาวเหนือชาวใต้ไม่อาจารย์หกยิ้มได้ยินก็ได้ฟังก็มีความรู้สึกว่าเจ้าคนป่าคนนี้ฉเฉลียวฉลาดเกินตัวขครจะพูดอะไรต่อก็มีคนเข้ามาหาท่านก็เลยให้ทําไปวีหลางไปทํางานก่อน ท่านเวหลังก็ตอบว่าอาจารย์ใช้ผมทำงานอะไรครับก็ผมเนี่ยวิปัสนาญาณเกิดขึ้นกับตัวผมบ่อยๆโดยไม่คาดเคลื่อนแล้วก็มั่นคงเขาวควรเรียกว่าเป็นเนื้อนาบุญของโลกได้ไหมครับและอาจารย์ใช้ผมทำงานอะไรท่านก็บอกให้ไปทำงานที่โรงครัวไปตามข้าวแล้วผ่าฟืนท้านเวหลังก็ไป กิจวัตรประจำวันก็คือผ่าฟือตำข้าวคือทำงานหนักที่นู่นเพราะว่าพระของมหายานหรือสมักเซนเนี่ยจะไม่ได้บินาวาตจะต้องตำข้าวเองหาข้าวเองแล้วมีลงครัวทำอาหารเองถ้าเวลางก็อยู่ในโรงครัวเนี่ยผ่าฟือตำข้าวอยู่ทุกวันโดยไม่ได้มีโอกาสได้เรียนธรร ม, มะหรือพูดอะไรกับใครเท่าไหร่นัก จนเวลาผ่านไปแปดเดือนวันหนึ่งโงยิปได้ซื้อก็เดินมาที่โรงครัวแล้วก็บอกว่าความมั่นคงในพุทธธรรมของเธอดีแต่ที่ฉันหลีกเลี่ยงไม่พูดคุยกับเธอนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้คนทุศีลอิจฉาหรือทําร้ายเธออวัเธอค ง, งเข้าใจนะถ้าเวลาก็บอกกับผมเข้าใจดีครับกับผมก็เลยไม่ค่อยไปหาท่านแล้วก็ทํางานอยู่ที่นี่มาตลอด ว่าแล้วพระสัยกัลยกไปแล้วอยู่ต่อมาท่านก็ได้เรียกประชุมเหล่าลูกศิษย์ทั้งหมดแล้วก็บอกว่าปัญหาการวิญว่าตายเกิดเนี่ยเป็นปัญหาเฉพาะหน้าและสาคัญมากพวกเธออย่างมงายกันเลยมงมงายในบุญในเรื่องราวต่างๆจนออกนอกทางจากจิตเดิมแท้เพราะฉะนั้นพวกเธอจะต้องเขียนสโลกระสงค์ฉันทุกคนเพื่อจะได้รู้ว่า จิตของพวกเธอไปยังไงมั่งถ้าใครเข้าถึงธรรมฉันก็จะมอบบาทและจีวรเพื่อให้เป็นสั่งพระเนยนโยคบทที่หสืบต่อไปแล้วก็จะได้รับฟังธรรมจากจิตจิตสู่จิตด้วยเหล่าลูกศิษย์ของวัดตรงซานทั้งหมดก็ได้มาหาลือกันว่าพวกเราเนี่ยไม่เหมาะที่จะเขียนสโลก มีแต่สิทธิพี่คนเดียวเท่านั้นคือท่านชินชาวซึ่งเป็นครูอาจารย์สอนสั่งพวกเราและมีปัญญาเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดนั้นพวกเราจะไม่เขียนสโลกแข่งกับท่านท่านชินชาวก็สังเกตผ้าในวัดซึ่งเป็นลูกศิษย์ออกแต่ถ้าก็หนักใจคิดตั้งหลายคืนถ้าท่านเขียนสโลกเพื่อหวังธรรมะจากอาจารย์หงยิ้มใต้ซือ อันนั้นนับว่าเป็นจิตที่บริสุทธิ์แต่ถ้าท่านเขียนสโลกเพื่อหวังจะตำแหน่งเอาตำแหน่งสั่งพ ญ, ญายกอยากได้บาตรจีวร อ, อันนี้ก็เป็นจิตที่ไม่บริสุทธิ์มีความละโมบแล้วเราจะทำไงดีแต่ถ้าเขียนสโลกเสร็จถ้าก็เดินกลับไปกลับมา3วันนะสิบสิวันเที่ยวไม่ได้ส่งแล้วทีจนมาวันหนึ่งท่านก็ตัดสินใจเขียนสโลกที่ฝาผนัง ปากทางเดินคือถ้าท่านอาจารย์หงยิ้มมาเห็นเข้ามาอ่านแล้วถ้ารู้ว่าท่านรู้ทำก็จะเรียกไปถ่ายทอดหรือบอ่อบาดจีวรแต่ถ้าไม่รู้ทำก็ไม่เป็นไรแต่แตั ใ, ใจเขียนไว้ที่ฝาผนังใจกว้างของสโลกก็มีว่ากายของเราคือต้นโพจิตของเราคือกระจกเงาอันใสเราหมั่นเช็ดถูทุกๆชั่วโมง แล้วคอยระวังไม่ให้ฝุ่นลงจับเมื่อเขียนเสร็จท่านก็แอบไปสโลงนี้เขียนตอนคืนแมใ่ใครเห็นคือใช้จุดตะเกียงมือซ้ายเขียนด้วยมือขวาพอวันลุกขึ้นพระลูกศิษย์ก็มามาดูกันภาษาไม่ไดยกมือที่ห้าก็ออกมาชมโดยเดิมทีแล้วอาจารย์หงยิ้มเนี่ยตั้งเชิญนักวาดนะวาดมาวาดภาพแต่พอเห็นเห็นสลงนี้แล้วก็เลยบอกไม่ต้องวาดแล้วเพราะสลงนี้ ถ้าใครนําปบูนำไปปฏิบัติและบูชาเนี่ยจะเกิดคุณมหาศาลไม่ลงอาบายภูมิถ้าควรว่าแล้วก็บอยลูกศิษย์เนี่ยจําสลงนี่ไปท่องลูกศิษย์ก็ไปท่องกันและคืนนั้นท่านก็เรียกท่านชินชาวเข้ามาหาแล้วก็บอกว่าเจ้ายัางไม่เข้าถึงพระธรรมยังไม่เห็นแจ้งจิตเดิมแท้คือมาแค่ปากประตูแห่งการตรัสรู้เท่านั้น ให้กลับไปเขียนสโลกมาใหม่เราให้เวลาสองวันถ้าเจ้าเขียนสโลกมาดีเราก็จะมอ บ, บาดจีบรและถ่ายท่อธรรมะให้ชินเช้าก็กลับไปแต่ก็ไม่ได้เขียนเพราะว่าเขียนไม่ออกแล้วตอนนี้ท่าเวหลังก็ตามข้าวอยู่ในโรงครัวก็ได้ยินเสียงของพวกพระเนี่ยท่องสโลกกันพอได้ยินสโลกท่าเวหลังก็รู้ว่าผู้เขียนเนี่ยยังเข้าไปถึงจิตเดิมแท้ จึงถามว่าจึงถามผู้วกที่ท่องเนี่ยว่าใครเป็นคนแต่งสโลและสโลนี่อยู่ที่ไหนคือ ข, ขอขอไปดูด้วยพระที่ท่องสโลก็ก็พาทัาเวหลังไปชมที่ฝาผนังซึ่งขณะนั้นก็มีคนชมอยู่หลายคนในจำนวนนั้นก็มีพนัก ง, งานสมเอียนของตําบลยืนชมอยู่ด้วยทั้งเวหลังก็บอกว่าท่านพี่ช่วยอ่านในขบจให้ข้าฟังทีข้าอ่างสือไม่ออกสมเอียนนั้นก็อ่านให้ พออ่านจบถ้าเวรหลังก็บอกว่าข้าอยากเขียนสโลกบ้างขอท่านพี่ช่วยเขียนให้หน่อยเสมียนคนนั้นก็มีความรู้สึกแปลกๆ ก, ก็เลยว่าบอกเจ้าเนี่ยอ่านสือไม่ออกแล้วจะมาให้ข้าเขียนเนี่ยไม่ใช่เรื่องตลกล้อเล่นหรือเปล่าถ้านเวรหลังก็บอกว่าถ้าท่านพี่เป็นคนคงแกลเรียนและสวงหาโมกธรรมแล้วเราจะต้องไม่ดูถูกผู้อื่นเพราะคนคนชั้นต่ําเนี่ยอาจจะมีปฏิฐานชั้นสูงได้ และคนชั้นสูงถ้าขาดสติ บ, บ่อยๆอยก็เผลอหรือหลงเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่ไม่รู้ได้แล้วก็ไม่ควดูถูกคนอื่นซึ่งได้ชื่อว่าเป็นการทำบาปพอท่านเวรหลังพูดอย่างนี้สมิญคนนั้นก็ได้คิดก็เลยบอกว่าตกลงข้าจะเขียนให้เจ้าแต่ท่านเห็นทรมแล้วช่วยมาโปรดข้าด้วยนะแล้วค่อยๆบรรจงเขียนใจฝ้าวสโล ก, ก็มีว่า ไม่มีต้นโพไม่มีทั้งกระจกเงาอันใสสะอาดเมื่อทุกสิ่งว่างเปล่าและฝุน่นจะลงจับอะไรพอเขียนเสร็จเนี่ยพวกที่อยู่บริเวณนั้นตะลึงกันหมดพวกพาที่อยู่ที่ช่วยตามข้าวอยู่โรงครัวก็มีความโอ้เราใช้ใช้งานพระบริษัททำงานหนักมาตลอดขณะที่ทุกคนกำลังชื่นชมอยู่นั้น อาจารย์หงยิ้มได้ซื้อมาเห็นเข้าท่านก็ใช้รองเท้าเนี่ยลบสโลกนั้นทิ้งแล้วก็บอกกับทุกคนว่าสโลกนี้ก็ไม่ได้เรื่องจึงทาให้ทุกคนเนี่ยหายสงสัยแล้ววันรุ่งขึ้นอาจารย์หงยิ้มก็แอ บ, บมาที่โรงครัวแล้วก็ถามท่านเวรหลางว่าข้าวได้ที่แล้วยังท่านเวรหลางก็บอกว่าข้าวได้ที่นานแล้วยังขาดแต่ตะแกรงร่อนเท่านั้น อาจารย์หงยิ้มก็ใช้ไม้เท้าเนี่ยเคาะไปที่ศัก์ตามข้าวสามครั้งในการส่งรหัสถ้านเวียงหลังก็รู้ว่าอาจารย์หงยิ้มนัดยามสามยามสามคืนนั้นก็ไปหาท่านอาจารย์หงยิ้มได้ใช้จีวรเนี่ยขึงกุฏิปิดไว้หมดเพื่อไม่ให้ใครเห็นแล้วก็ถ่ายทอดธรรมะให้แก่ท่านเวียงหลังจากกิดสูด จ, จิตแล้วบอกให้ประวิธีของจิตนั้น จะต้องเดินทางในอิสระจากเครื่องค้องทั้งหลายพอได้ยินดังนั้นท้าเวหลังก็บรรลุธรรมจิตสว่างลุกโพงแล้วก็พอมอบบาทจีวรแล้วตอนนี้ก็เป็นสั่งพนยโยกองค์ที่หกสืบต่อไปอาจารย์หงยิ้มก็ให้ท่านหนีไปซะโดยคืนนั้นท่านก็ไปส่งเพราะถ้าไม่หนีไปเนี่ยคนทุสิงจะทำร้ายเอาได้จึงรีบเดินทางในคืนนั้นเลยท่านก็ให้ท่านหนีลงใต้ ฝ่ายในวัดพอรู้ว่าถ้านเวรหลังได้บาดจีวรไปเนี่ยก็มีลูกศิษย์ของท่านชินชาวไม่พอใจมากแล้วก็ไล่ไล่ตามต้องการจะเอาบาดจีวรกลับคืนมาคือท่านชินชาว เ, เป็นคนเคารพอาจารย์มากแล้วก็เชื่อในเหตุผลว่าอาจารย์แต่ผู้ลูกศิษย์ที่หัวดื้อทั้งหลายเนี่ยมีความรสึกว่าท่านชินชาวเนี่ยสมควรเป็นสังฆ น, นายกองค์ที่หกต่อไปควรจะได้รับบาดและจีวรจึงไม่ยอมจึงออกติดตาม ก็ใช้เวลาสองเดือนก็ตามทันในจํานวนผู้ติดตามเนี่ยมีพระวิสูตอยู่รูปหนึ่งชื่อว่าไวยมิงอดีตเคยเป็นทหารมาก่อนคือสะกดรอยตามเก่งมากพอสะกดรอยตามมาจะถึงท่านเวลางก็บอกให้หยุดก่อนท่านเวลังก็เลยเอาบาทเนี่ยเอาบา ท, ทบอธิวาระวางไว้บนบนก้อนหินแล้วก็ไปแอบท่านไวยมิงก็ไปถึงก็ไปยก แต่แต่เกิดเหตุมาสะใ จ, จคือบาทไม่สามารถขยื่อนได้เลยยกก็ไม่ขึ้นตอนแรกอยากคิดมาชิงก็เปลี่ยนใจมาขอเรียนธรรมะและเรียกว่าน้องชายเราไม่ได้มาช่วงชิงบาทและจีวรแต่จะมาขอท่านแสดงธรรมให้ท่านเวลานก็ออกมาแสดงธรรมเพราะธรรมดาท่านเวียงมีงในบุคคลอารมณ์ร้ายโมโหฉุนเฉียวง่ายพอท่านแสดงธรรมจบก็ได้ดวงตาเห็นธรรม แล้วก็จิตเปลี่ยนท่านไวยมิงจีเป็นลูกศิษย์คนแรกของท่านแล้วก็ท่านก็เดินทางต่อไปแต่ก็เจอเจอพวกติดตามนะจนต้องสุดท้ายต้องหนีเข้าไปอยู่กับพานป่าแล้วใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับพวกในพานเนี่ยถึงสิบห้าปีพวกพานจะกินเนื้อสัตว์เป็นอาหารแล้วก็ใช้ท่านเวลายังเนี่ยคอยดักสัตว์บางครั้งท่านดักดักสัตว์ได้เนี่ยทั้งพคนอื่นไม่เห็นท่านก็แอบปล่อยตลอด อาหารที่พวกทานกินเนี่ยท่านก็จะเอผักใส่ลงไปแล้วท่านกินแต่ผักท่านไม่กินท่านไม่กินเนื้อสัตว์ท่านใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากบางทีก็โดนไอพานกันแกล้งก็มีตอนที่ท่านบรรลุธรรมเนี่ยท่านอายุยีิบสี่ตอนที่รับรับไตรับบากกับีบรพอตอนนี้ท่านอายุสามสเก้าแล้วสิบห้าปีผ่านไปท่านก็มีความประสงค์ว่าจะเผยแพร่ธรรมะถึงเวลาแล้ว ท่านก็เดินทางไปที่วัดแห่งหนึ่งวัดนี้ก็มีชื่อว่าหนันหวาอยู่สิงโ จ, โจโนครวางตุง้ขงขณะนั้นธรรมอาจารย์อี้จิงกำลังสายทายธรรมอยู่ประเดินมีลมพัดมาแรงมากทงก็ไหวไปไหวมาพระสองสองท่านก็ต่างเถียงกันอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเพราะลม ธงจึงไหวอีกคนหนึ่งก็บอกว่าพระธงต่างหากมีธงต่างหากลม จ, งจึงไหวไปไหวมาซึ่งต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันท่านเวลังก็ยืนอยู่ที่ด้านก็เลยบอกว่าไม่ใช่เพราะจิตของท่านสอ ง, สองคนต่างหากที่ไหวไม่เกี่ยวกับลมและไม่เกี่ยวกับธงผู้ฟังถามที่อยู่ที่นั้นตลึงกับความตัดสินของท่านเวลังเพราะเป็นปัญญา ลึกอีกจิงใต้สือก็เดินมาถามธรรมะกับท่านได้พูดคุยกันทาเวลังก็ได้แสดงบาทและกีบอยให้ท่านดูแล้วก็บอกว่าท่านได้ได้รับมาจากสังงมนี ย, ยกองที่ห้าอาจารย์อี้จิงก็ซักไซสเรื่องธรรมะกันเสร็จแล้วก็เตรียมบวชให้ท่านแต่ท่านก็บวชวัดนี้อ่ะแล้วก็เริ่มเผยแร่สั่งสอนธรรม ก็มีคนมาฟังทำกันมากมายที่ประเทศจีนตอนนั้นเนี่ยถ้าฝ่ายทางเหนือก็มีชินเฉาฝ่ายทางใต้ก็มีท่นเวียหลังที่มีชื่อเสียงแต่ฝ่ายทางเหนือจะหนักทางสอนสมาธิจึงได้ฉา ย, ยาว่าสำนักเชื่งช้าแต่ทางใต้สอนแ้วตื่นตัวและรวดเร็วจึงได้ชื่อว่าสำนักสอนแบบฉับพลันซึ่งตัวของชินชาวเองเนี่ย ก็นับถือปัญญาของท่านเวหลังก็ยกย่องท่านเวหลังอยู่เสมอไม่ได้อิจฉาอะไรแต่ลูกศิษย์ของท่านชินชาวเนี่ยจะไม่ยอมรับท้านเวหลังเป็นสั่งประยยกที่หกคือบอกว่าท่านเป็นคนไม่อยู่ความ ร, รู้อยู่ครั้งหนึ่งก็ส่งคนมาลอบฆ่าท่านซึ่งด้วยอำนาจของปัญญาท่านเวหลังก็รู้ ร, ร, รู้รู้ตัวลกหน้าจึงไปนั่งรอนั่งรอคนร้าย แล้วก็วางเงินไว้สิบตำลึงคนร้ายมาถึงก็ชักดาบแล้วก็ฟันท่านท่านก็ยื่นคอให้ฟันฟันสามครั้งไม่เข้าคนร้ายตกใจมากแล้วก้มกราบขอเข้ามาท่านใหญ่ท่านเมื่อหลังก็บอกว่าท่านไม่ได้ไม่ได้เป็นหนี้เป็นหนี้แค่เงินเท่านั้นไม่ได้เป็นหนี้ชีวิตแล้วก็มอบเงินสิบตำลึงให้และบอกให้หนีไปซะไม่งั้นลูกศิษย์ของเราจะทาร้ า, ทายท่าน คนร้ายก็สะบึกผิดแล้วก็ต่อมาก็มาขอบวชกับท่านแล้วก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของท่านช่วยเผยแพร่ธรรมะซึ่งท่านก็สอนให้คนบรรล้ธรรมกันมากมายในยุคยุคนั้นเป็นยุคที่นิกายเซนรุ่งเรืองมากเพราะคาสอนของท่านไม่เหมือนใครสอนนอกคอมภีพิการสอนแบบจากกิจสุจิตมีอีกครั้งหนึ่ง มีพระรูปหนึ่งเนี่ยกำลังท่องสโลกของธรรมอาจารย์ออลุนเนื้อความในสโลกมีว่าออหลุนมีเครื่องมือวิธีจะ ก, กั้นจิตเสียจากความคิดปรุงแต่งเมื่อนั้นโพธิจึงงอกงามอยู่เป็นล่ําเป็นสรรทวายหลังได้ยินเข้าก็รู้ว่าผู้แต่งเนี่ยยังเข้าไปถึงจิตเตอมแท้ทวายหลาที่แต่งสโลกบ้างเว้ยหลางไม่มีเครื่องมือวิธีที่จะป้องกันจิต จากความคิดปรุงแต่งกิเลสจึงกุ้มลุมจิตอยู่เสมอสงสัยว่าโพธิจะงอกงามได้อย่างไรซึ่งโดยธรรมดาทั่วไปเนี่ยของนิกายเซนบางสำนักเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องการนั่งสมาธิการทำอะไรเพื่อทรมานกายเลยนั่งสมาธินา น, านคือยังยึดตัวตนอยู่ว่าต้องมีตัวตนที่ต้องปฏิบัติแต่ท่านเวฬหลางองทะลุ ถ, ถึงสุญญตา มองเข้าถึงความว่างว่าตัวตนเนี่ยไม่ได้มีอยู่จริงการ ม, มองคลรมุมเลยเรื่องนี้ท่านก็เลยปฏิเสธวิธีที่ทําให้เนื่นช้าต่างๆทําทให้ลูกศิษย์เนี่ยเข้าถึงจิตเดิมแท้ทันทีท่านขับสอนท่านจรงแปลกๆทาให้คนรู้ทามันมากมายในยุคนั้นท่านก็สั่งสอนลูกศิษย์จนถึงอายุเจ็สิบหปีท่านก็มรณภาพ ศพของท่านก็บรรจุอยู่ที่เนี่ยที่เมืองโซกายทุกวันที่ศพก็ไม่เน่าเปื่อยยังอยู่ใน้ท่านั่งตอนนี้ก็เบียร์อายุประมาณ 1,300 ปีแล้วพ่อท่านเกิดในราชวงศ์ถังประเทศจีนหรือคนทั่วไปก็นับถือท่านคือคนทั่วไปก็เรียกหลักโจ้แต่จิ๋วนะแต่ถือว่าท่านเบื้องหลังเป็นคนสุดท้ายเพราะว่า อาจารย์หงยิ้ได้ซื้อเนี่ยได้บอกไว้ว่าถ้ามีการถ่ายทอดต่อไปเนี่ยจะมีการช่วงชิงบาดและจีบอลกันจึงขอให้ท่านเลมามป็นคนสุดท้ายแล้วก็เลิกการถ่ายเลิกเลิกเลิ ก, เลกการสืบต่อไปให้ถ่ายทอดเฉพาจิตสุจิตเท่านั้นไม่มีการให้บาดและจีบรแล้วถือว่าองค์ที่หกเนี่ยเป็นองค์สุดท้ายอาจารก็เล่ามาแล้วย่อๆแต่จะเล่าอีกเรื่องหนึง่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น มีมีซาบุไรยอยู่คนหนึ่งชายคนนี้มีพ่อเป็นซาบุไรที่เก่งมากแต่พ่อใกล้จะตายแล้วคือแก่มากก็อยากให้ลูกชายเนี่ยไปเรียนซาบุไรกับอาจารย์ที่เก่งที่สุดเลยไปทีญี่ปุ่นขณะนั้นชายนี้ก็เดินทางไปหาอาจารย์ทันทีไปถึงก็ขอเรียนวิชาดาบซาบุไรแล้วก็ถามว่าอาจารย์ถ้าผมจะทุ่มเท แ้วตั้งใจเรียนเนี่ยต้องใช้เวลากี่ปีถึงจะสําเร็จอาจารย์ก็บอกว่าประมาณเจ็ดปีใช้ยหนุ่มคนนี้ก็รู้สึกว่าเจ็ดปีเนี่ยนานมากนานเกินไปถึงพอใกล้จะตายแล้วแล้วอยากเห็นลูกเก่งคงไม่ทันก็บอกอาจารย์ถ้าผมตั้งใจมากกว่านี้ทุ่มเทชีวิตเพื่อฝึกเนี่ยให้ให้ให้มากที่สุดเท่าที่ทําได้เนี่ยต้องใช้เวลากี่ปีอาจารย์ก็ตอบว่า ถ้าอย่างนั้นต้องใช้เวลา14ปี<ม>ซึ่งทําให้ใช้หนุ่มหนักใจเลยเพราะว่า14ปีได้ยิ่งกว่า7ปีพ่อก็แก่มากแล้วก็เลยบอกอาจารย์ถ้าผมทุ่มเทหนักกว่านั้นน่ะเพื่อฝึกให้เร็วที่สุดอะจะใช้เวลากี่ปีอาจารย์บอก21ปีตอนเด็กเล่นเอาหนุ่มสับปลรยเนี่ยเซ็งมากแต่ไหนๆก็มาแล้ว แล้วไม่รู้จะฝึกกับอาจารย์คนไหนก็จะจจาใจต้องอยู่ที่นั่นอาจารย์สบุลัยก็ไม่ยอมฝึกให้ใชายหนุ่มนะให้ไปอยู่โรงครัวคอยผ่าฟืนคอยทำอาหารเพราะหน้าที่อยู่ชายหนุ่มคนนี้ก็ก็คือทำงานทุกวันแล้วแต่อาจารย์จะสั่งแต่งานหลักก็คือทำงานที่โรงครัววันแล้ววันเล่าที่ผ่าฟืนช่วยทาอาหารหุงข้าว โดยไม่มีการสอนสาบุไลแล้วอยู่มาวันหนึ่งอาจารย์ก็ย่องเข้ามาเราใช้ดาบไม้ไล่ฟันไล่ตีชายหนุ่มนักชายหนุ่มคนที่งงมากก็ได้แต่ป้องกันตัวหยิบอะไรขึ้นมาก็ป้องกันอุตลุดแต่ก็เจ็บตัวเพราะโดนโดนไปหลายดอกเพราะาอาจารย์ไม่มีการบอกว่าจะสอนแต่ตีเลยและอาจารย์ก็ย่องมาบางทีกลางๆนอนอยู่ก็เอาไม้มาตีก็มี ทำให้ชายหนุ่มเนี่ยต้องระวังตัวตลอดเวลาบางทีเข้ามหา้างหลังเผลอก็เอาดาบไม้ฟันเลยซึ่งวันแล้ววันเล่าชายหนุ่มเนี่ยจะต้องป้องกันอาจารย์จะต้องตื่นตัวอาจารย์จะมาตอนไหนื้ออาจารย์ย่องมาตลอดทุกเวลาเมื่อใจกลางวันกลางคืนไม่มีการบอกกล่าวจะ ก, การตื่นตัวเนี่ยทําให้ชายหนุ่มเนี่ยมีสัญชาตญาณของนักดาบสาบุไลที่เร็วมากสึดต้อแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าตลอด ตัวต่หลังเนี่ยกลายเป็นเก่งขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวนะเพราะอาจารย์ไม่สอนแต่อาจารย์เข้าปตีมาฟันตลอดต่หลังาจากบอกจบหลักสูตรแล้วซึ่งใช้เวลาไม่นานนะจากตอนแรกคำว่าเจ็ดปีสิบสี่ปียี่สิบ็ดปีแต่นี้เร็วกว่านั้นเพราะท่านมีวิธีสอนพิเศษเพราะสอน ต, ตรรศูนย์เนี่ยจะช้าใช้หนุ่มคนนี้ต่อหลังก็เป็นซาบุรายชื่อดังของประเทศญี่ปุ่นสมใจ แล้วทำให้พ่อเนี่ยมีความสุขปลื้มใจจะลูกชายมากที่เรียนสำเร็จได้ไวซึ่งนิทาเรื่องนี้ก็มีข้อสอนมีข้อคิดตรงที่ว่าถ้าเรายิ่งรีบะจะยิ่งช้าเพราะยิ่งรีบยิ่งถ้าเราอยากบรรลุมรรคผลนิพพานจะยิ่งช้ายิ่งทาเวลาอยากให้ให้เสร็จเอวไวยิ่งช้าเดินทางกายอยากให้ถึงไรวไวก็ยิ่งช้าเหมือนกันเพราะจิตมันจะไปไปกระ ด, ดที่เป้าหมายแล้ว แต่ถ้าเกิดเราค่อยๆเริ่มเดินทางไม่กำหนดเป้าหมายเนี่ยจะถึงเร็วนั่นการทาอะไรแต่ละอย่างเนี่ยเราต้องไม่เร่งรีบจนเกินไปต้องอยู่กับปัจจุบันทีละขณะขณะเมื่อ น, นั้นแหละจะถึงเองวันนี้ก็เป็นวันสามัคคีของวัดเป็นวันที่เราเนี่ยจะต้องร่วมกันทํางานกันอีกครั้งการทํางานก็สามารถปฏิบัติทําได้ ถ้าเราทํางานด้วยความใส่ใจแล้วมีสติในขณะที่ทํางานฝาดใบไม้ก็สามารถปฏิบัติทําได้ทำบ่อข้าวใช้มีดกาลังหั่นผักก็สามารถปฏิบัติทําได้ล้างจานทําอาหารทํางานทุกอย่างสามารถเจอสติสตได้หมดแต่ถ้าเราวางใจไม่เป็น ก็ไม่ถือว่เป็นการเจริญสติขณะที่ทำเพราะฉะนั้นการงานเนี่ยคือการปฏิบัติธรรมถ้าเราวางใจเป็นและมีความเห็นที่ถูกต้องเพราะชีวิตของเราเนี่ยประจําวันเนี่ยจะผูกพันกับงานมากกว่าการปฏิบัติในรูปแบบการปฏิบัติธรรมในรูปแบบเนี่ยซึ่งก็มีแต่ว่ามันไม่ถึงกับมากเหมือนกับชีวิตประจําวันของเราตั้งแต่ตื่นนอนตื่นนอนขึ้นมาก็ต้องล้างหน้าแปรงฟันถ่ายอุจจาระ ถ่ายปัสาวะทํากิจส่วนตัวต่างๆอันนี้เราสามารถเจริญสติได้ตลอดแต่รูปแบบเราก็ต้องไม่ทิ้งนะเราก็สามารถเจริญสติในรูปแบบก็ได้แต่ส่วนมากคนจะหวังในเรื่องรูปแบบเพรนอกรูปแบบเลิกทําซึ่งนอกรูปแบบจยทําได้มากกว่าในรูปแบบเพราะชีวิตปัจจุบันคนเราเนี่ยอยู่นอกรูปแบบมากกว่านั่งรถลงเรือเดินทางทํางานทํานู่นทนํานี่หรือต้องสนทนาคนอื่นพูดคุยถ้าระวังใจให้เป็นเราก็ต้องหนีอารมณ์ตลอด ไปแอบไปหลบซ่อนกลัวกลัวกลัวลมมากระทบการไปฏิบัติธรรมก็ไม่ก้าวหน้าคือโดนอะไรกระทบก็ไม่ได้เลยจิตใจก็อ่อนแอการไม่ปฏิบัติธรรมก็การเผชิญอารมณ์ยิ่งการทํางานวันกรรมกรเนี่ยจะเป็นคนหมู่มากโอกาสกระทบกระทั่งจึงมีมากถ้าผู้ปิดหูแล้วก็ทําให้เรามีโอกาสได้ละความเห็นแก่ตัวเสียละเพื่อส่วนรวม เป็การลดกิเลสตาของเราด้วยเพราะคนเราจะมีกิเลสตาทุกคนมีคว่าเห็นแก่ตัวเพรเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมคือการลดความเห็นแก่ตัวคือใครเห็นแก่ตัวน้อยคนนั้นก็จะเข้าถึงธรรมะได้มากกว่าถ้าใครเห็นแก่ตัวเยอะคนนั้นก็ห่างไกลจากธรรมะเาะเป้าหมายสูงสุดคือการทําลายความเห็นแก่ตัวลดตัวกูของกูฉนั้นพวกเราก็ต้องทํางานด้วยความความคาสุขและสนุกขณะที่ทํางาน แต่ก็เราไม่ปล่อยให้ความคิดครอบงำจนเกินไปเพราะมันจะมีมีอารมณ์เรื่องพูดคุยกันมากแล้วก็ปุกแต่งเรื่องต่างๆแต่ถ้าเราบีสติกับการงานที่เราทําอยู่อันนีน้คือการปฏิบัติทําได้ด้วยได้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอันมาเห็นว่าพูดมาก็สมควรกับเวลาจะท่องกรของหลวงพ่อพุทธทาสได้ฟังกรหนึ่งกร ก่อนเกี่ยวกับการทำงานเนี่ยอันที่จริงการงานนั้นน่ารักเมื่ อ, อยังไม่รู้จักก็อ่างขนางไม่รู้จักก็ปล่อยปะแล้วละวางบ้างร้องครางเมื่อรอหน้าว่าเบื่อจริงแต่ที่แท้การงานนั้นน่ารักสอนรื้คนรู้จักไปทุกสิ่งถ้ายิ่งทำยิ่งฉลาดไม่พลาดยิงได้ตองดิ่งสิ่งอุ ก, กิจคือจิตเจริญ อันที่จริงการงานนั้นน่ารักเป็นการชักธรรมะมาน่าสารรเสริญคือมีสติฉันทะธรรมะเกินขันหยุดเพลินจิตกวางทางนิพพานขอความสุขความเจริญจงมีแั่ญาติโยมทุกท่าน